อดีกยวให้ดูธรรมชาตินะโยมนะมันแช่อยู่ด้น้ำเลือดน้ำเหลืองจริงไหมถึงมันสดใสอยู่มันสกรปรกไหมแล้วมันดูโลมาคือขนที่มันขึ้นอยู่ทในต้ำตัว เ, นะเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าว่ามันขึ้นอยู่ยังไงมันแช่อ ย, อยู่ดน้น้ำเลือดน้ำเหลืองจริงไหมของน้าไม่รู้ว่าของสกรปรกแต่เราไม่อาบนอนชาระมันดูสกรปรกไหมโดูทีแล้วก็มาดูนะัขาคือเล็บขึ้นอยู่ปลายมือนะ่ะมันิ้วมือบง่งนิ้วตีนบาง มันแค่ยู่ด้วยอะไรที่มันสดใสมันรอเลี้ยงโดยอะไรนี่ไปดูเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ร้อยไปพอยอยู่ธรรมชาติมันแล้วมันเ ล, ลี้ยงแล้วก็มาดูรรทันตาคือฟันที่สําหรับเคี่ยวอาหารลอยเป็นธรรมชาติยมเกิดดูดูเขาพอคนสะอาดด้วข้าสซักกักแล้วก็มาดูระโจน้หนังที่หนังที่โขอหุ้มร่างกายที่อยู่นั่น มันจดใส่ยุ่งแน่มันชุ่มชื้นมันยุ่ด้วยอะไรถ้าเราไม่ปรุงแต่งคือไม่อาบน้าชําระผมเมือนการทานแล้ไม่สระคือไม่ตัดปรุงแต่งมันสกปรกไหมเล็บเมือนการทานแล้ไม่ตัดปลอยเป็นธรรมชาติไปนั่นมันน่าเกลียดหรือว่ามันน่ารักทันตาคือฟันเหมือนการทานแล้ไม่แปลงฟันปลอยมันเป็นธรรมชาติมันสวยไหมนี่ดูเกิดขึ้นนะ ทนี้ดูที่โซมลงมากเที่รถตายมันเป็นมันไปไหนมันใช่ตัวเรามะเนื้อหนังมันก็เหี่ยวไปห้ามที่ด้วยว่ามันยื้อมันเหี่ยวฟันก็ห้ามที่ยื้มันหักห้ามได้ไหมเล็บก็ห้ามที่ยื้อมันยาวก็ตัวเราก็ห้ามไว้สิฟันก็เหมือนกันห้ามยื้อมันหักอืปผมก็ห้ามยื้อมันงอกก็ของเราแล้วก็ต้องห้ามได้น่เห็นมันมีฟันก็ฟันก็หักมันใช่ของเราไหม มีหนังนังก็เหียวมีเล็บคนน่าเกลียดมีผมผมก็งอกและของเล่าหรือ่ของใครแน่เะของรูปของใช่ไหมก็ยกกรู ป, นะปรมันน่ะคงุกโคลงไม้ก็จิตมันมใส่รูปอยู่ตัวรูปมันใส่รูปนะมันน่ะเลยมายืดือว่าอ ค, คูให้รู้ว่ามันแค่อศสยไม่ใช่จะแก้ก็มแก้ไปเสร็จ เจ็บก็รักษาเข้าหายก็หายไม่หายก็เรื่องของเข้าแล้วก็ใช่เรื่องของเราไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของจิตเนี่ยอะไรมันตัทุกข์มันต้องการเห็นไม่สมหวังอยากจะมาให้มันแก่มันก็แก่ไม่ให้ฟันมันหักก็หักไม่ให้ผมมันงอกมันก็งอกหนังไม่ให้มันเหี่ยวมันก็เหี่ยวเห็นไหมแล้วมันสมหวังไหมก็ไม่สมหวังมันก็ทุกข์เพรามันอยู่นั่นเลยมา เพราะนั้นไม่สมบัตแล้วก็เป็นทุกข์อีกแล้วก็พิจารณาให้มันเลยครับอีกเข้าไปในในตัวน่ะว่ามันเป็ น, ป น, ปนโครงกระดูกจริงไหมจริงไหมเป็นโครงสร้างขึ้นไหน่ะมันแช่กระดูกไหมแล้วลุดไปจากนัน่นมันมีอะไรวิตับวิตปอดกระเพาะเดี่ยวกระเพาะขี้มันส่วมเคลื่อนที่ไหมไปไหนก็กระพายไปด้วยจริงไหมกระพายของโซ่กระปุกเดินโฉบก็จริงมาแล้ว ไอเขาไม่รู้จังข่าว่าเรารู้เราเนี่ยเบื่อไหมน่าเบื่อไหมเกิดเมียกับวันนี้อ่ะเกิดไม่ยีัวันนี้แล้วก็ไม่เที่ยงวันนี้อาจารเจ้าไงหลังยองมีเงินห้ามเลมไหมไม่มาแกเงินมาซื้อวันนี้กันวันที่มาแกห้ามเลยไหมมันก็ห้ามเขาไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติมันมีแล้มันก็ต้องเสื่อมมันมันไปเห็นยังนะธรรมะคือธรรมชาติ ไม่มีตัวตนมีรูป ก, ก็ต้องมีกฎของรูปมันก็ต้องเสื่อมมันไปนี่มันหน้าที่ของใครของผู้รู้ใช่ไหมฮะใช่ผู้รู้ไหมเมิเงรู้แล้วเองก็ละวางว <c oughs> นันนี่นาทีของประสงค์ที่ไม่เที่ยงนั่นและพระธรรม ยิ่งรู้แล้วคนหนาทีเขามาส่งก็ละวังน่ะสิในเมื่อรู้แล้วนี่ชําระจิตสะอาดหมดจนแล้วก็ไปไปสอนอื่นบางสิหนาทีเขามาส่งแล้วก็ไปที่แจง้งหัวบางเสงเห็นไหมระสง่์ก็ต้องศึกษายอย่างนี้แล้วเอาสิ่งนี้เราไปสั่งสอนที่แจงให้ชาวโลกเขาเข้าใจอันงในโลกเนี่ย เห็นไหมมันอะไรไม่ก้องเที่ยงลูกไม้เกิดมาที่แรกก็บลูกเล็กวันคืนผ่านมันก็แก่ไปมันเพราะมันมีกฎธรรมชาติของเขานาค้ามันก็สุกล้นบ้านก็าเมื่อการที่แรกมันก็ใหม่มันเป็นธรรมชาติมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปเห็นไหมในผลที่ทรงกดดับแตกดับทับถมดินเห็นยังธรรมชาติของเขา นี่มันนั่งดูสิขันติก็เป็นธรรมชาตินะมวิญญาะก็เป็นธรรมชาติไหมหน้าที่ของขันติมียังไงอดทนเขาเลยสมมุติชื่อนี่แหละขันตินวิญญาณเพียนเพียนพิจินนาดูเขาเลยสมมุตวิว่าวิญญาะเป็นตัวเพียนนี่แหละศรัทธาคือตัวเชื่อนะแล้วเขาสมมติชื่อศรัทธาเห็นมันเป็นธรรมชาติมันมีชื่อที่ไหนคำมันสมมุติชื่อขึ้น แม่งั้นเรียกไม่ถูกเพราะมันคงว่างอยู่อะละเองมันดูมอนงทีมนันนย์เขาก็สมมุติชื่ออีกมันว่างอยู่นี่แหละธรรมานาตาติธรรมะแบบีตัวตนเป็นธรรมชาติเห็นมามมันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยสเพสสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เจียงหรอ ทนี่โยงก็เข้เขาใจขันติไม่น้าที่ยังไงสัจจะมมหน้าที่ยังไงวิญญาณไม่น้าที่ยัง ไ, ไงศรัทธาไม่น่าที่ยังไงก็เอามันใช่ถูกทางเสิยอมโลภะมันมมหน้าที่โลกอยากได้มันอยากได้นี่ก็เราก็รู้แล้วมันเป็นตัวโลกตายเราไปไม่ได้แล้วไปอํอมามันใช้ทําไมอ่ะโทษซะมันก็เผาเราทำให้จิตรุ่มรอดไปหมด ก็รู้แล้วมันเราก็ต้องตายเราต้องแก่ เ, เอามาใช้ทํำไมยิชาริทยาเข้านั่นก็เหมือนกันเราจะเอามาใช้ทําไมเนี่ทําไฟชั่วทั้งนั้นนหะอฮแล้วก็ทําไฟดีมันใช่เนอ้อเขาไม่รู้ว่าชังเขาเราับเป็นผู้ศึกษาแล้วนี่ละ เห็นไม่ตัวคล้ตัวมันเรารู้แล้วเอาไปสอนเขาเขาไม่เชื่อท่านยุปมาไม่รู้โบสีเหล่า โยมต้องเข้าใจนะทุกคนที่มาที่นี่เพราะสถานที่ตรงนี้เขาต้องการสอนอย่างนี้ต้องการหาบุคลากรที่รู้แจ้งเห็นจริงจะได้เอาไปสั่งสอนต่อเนี่ยสร้างสถานที่ตรงนี้ไว้เพื่อจะเอาเมาอบรมวัตถุที่เดินได้ วัตถุที่เดินได้ให้รู้จักดีรู้จักชั่วตรงนี้โยมมันง่ายเะไปซื้อมันถ้ามันตั้งตั้งมันก็เชย อ, อยู่แน่นแหละที่มันซ่อนวัตถุพ น, นี้จะวัตถุที่เดินได้นีดีฟ้ามันสร้างวัตถุอย่างนี้จะนะ โยมจะตรงใช้ปัญญาดูพระพุทธเจ้าผนะู้รู้เขารู้อะไรเขารู้จักทุกรู้จักเหตุเกิดทุกรู้ทางดับทุกรู้ข้อปฏิบัติทั้งความดับทุกขจึงพอใจว่ารู้ละเหตุวัความทั้งของสี่อย่างนี่เรียกว่าอาริยสัจแม้ว่าของจริง พอรู้เท่านี้แหละผู้รู้พอรู้เท่านี้แหละพอใจจึงว่าพอใจว่ารู้ละเพราะงั้นทุกคนรรู้จักสมุทัยคนละนิโรธคนทําให้แจ้งมรรคควปฏิบัตินี่พูดสั้นๆก็มันทุกข์งั้นมันยากได้มันทุกข์ทั้งนั้นแล้วก็ควรละเหมือนกสิฮะก็คงใต้อาไปไม่ได้เห็นมันเจตนาตัวนี้แล้มันสร้างเนาะมันยากได้แล้วก็อภัยไม่ได้มันสร้างลำหน้าเพราะทำก็เป็นกรรม ก็เป็นเหตุทันยิงว่าทันโลกเป็นกรรมทําเกิดจากเหตุดับดับที่เหตุจริงมันเราปอยากได้มันก็เป็นเหตุไว้นี่แหละทำเกิดจากเหตุดับดับที่เหต์ตัวอยากนี่แหละตัวตันหาตัวนี้แหละมันเป็นเหตุเพราะทำก็มันก็เป็นกรรมท่านก็บอกกันทันโลกเป็นกรรมท่านยึงสอนว่าดับที่เหตุทําเกิดจากเหตุดับดับที่เหตุ เห็นมันอะในโลกวุ่นวายไหมล่เพราะมันไม่ดับเหตุกันน่ะยี่มันเรียกงของข้านะหนีถ้าพวกเราอ่ะตายก็ไปไม่ได้เข้าขยับขยาย เ, าเดี๋ยวจะได้เป็สนสมรสนาปักษ์กันตั้งใจนะคนนำนะทิศกุศลให้แก เห็นมากไปขอ้ดหาใจมหมล่ะไม่อ่ะมันต้องพูดใบนะุ้วงสันโดอนสันโดน ขเข า, ขาวงกตเขาไล่เอกจากเมืองไปอยู่เขาวงกตขับออกจักรเมืองออกจักรทองแม่เมืองมาถึงทองไปอยู่เขาวงกตเดแกตายในทางนี้จะเข้าเขาวงกตนั่นนะมีนายพานคนหนึ่งือนายเจตบุทธนายพานคนนี้ได็กสติทท อ, ด อ, ดมดอดุมกันเอไว้แล้วโดนนี่มาจึงโดนนี่ ปัญหาราคารถักตัวไม่ได้ทูชกเห็นว่ามันเป็นลอกกันม่เจนสมุนเปลือยเากล้าาในเจนบมุนเปลือยทูชกอปจะเขาไม่ได้ไขอองกุมานแต่แะ่ทานสีนี้จะทำทานละทีเติมความก็มีเนี้วแน่นนนิ้วลังมันตีว็จะมีเนียวแน่นเห็นไหล่ะทำจะมีเนียวแน่น เขาจะตัดสินใจให้ท่าคือลูกท่านจะเชิญเลยเขียนปฏิทิด้วยว่ า, วาแล้วไข่า้าคกงชนชัยนี่คือไข่ไข่หลานเนี่ยในพุทจารยาพเป็นทานาวกงชนชัยก็คือปัญญาเนี่หลานไม่ให้เป็ทนท่าเขา <c oughs> <c oughs> แลวที่นี่เขาก็ไปรับลูกเขาทาเมืองให้สร้างถนนตั้งเต็ทุ่งศรีพีขา้าวกล้อไมีมโหสถเป็นตลอทาง มีหนังมีเลเก์สังเกตเมื่เห็นทิ่จะลอยจะตายลงมา้าถ้าเกิดความรักขึ้นเขาเรียกว่าราคคินาเห็นไหมตาไปเกิดหนิน่งเห็นรูปภายนอกเกิดความรักขึ้นเขาเรียกว่าราคคินาถ้าเกิดโทสคือไม่พอใจรูปที่เห็นนั่นเขาเรียกว่าโทสากินาคือหลงอยู่กัเรียกว่ามหุหะกินา แล้วมันร้อนมันเผายจริงไหมเมื่อเกิดความรักมันเผาเราจริงไหมเผาให้ร้อนรุ่มไมหมดถ้าแล้โกรธเขามันเผาเราจริงไหมความร้อนมันอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเราจริงไหมมันเผาขึ้นเพราะเราลงใช่ไหมหลงไปเห็นรูปเขาเราจึงเกิดความรักขึ้นไปรักขก็เลยเผาเอาไปโกรธเขาไปโทษสาก็เผาเอา พ็ไปหลงโมหะ ก, ก็เลยเผาเอาที่จะแก้จะดับตรงนี้ดับอย่างไรถ้าเราเห็นว่ารูปนี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งโยดับไปและรูปนี้เป็นของสกรปรกโสโครกมีทั้งนาเลือดนำเลืองก็พ่อขี้พอเยี่ยวแล้วก็แก่ไปแก่ไปก็ดับพังทับถูกไปดินถ้าเราเห็นอย่างนี้ไ้ราคะเกิดั้อย เราก็ดับจิตไม่มีแล้วความรักเราไม่ต้องการแล้วมันก็ดับจิตแล้วก็ไฟโทษะดับไหมพอเราเห็นแล้วเราไม่ยึดมปนเรื่องของเขาเราก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่นไฟโทษศาก็ดับเราก็เลยรู้จริงว่ารูปนี้เป็นของวิเทียงโมหะมีไหมไฟโมหะก็ดับจิตนี่สมัยครั้งหนึ่งมีชัดินสาพี่น้อง เอาว่าอีกคนนึงอยู่ตําบลอุรุเวลาเสนานิคมชื่อว่าอุรุเวสกัสปักปอีกคนหนึ่งอยู่แม่นน้ำออมคุ้งเม่น้ําชื่อนาทีกัสปักอีกคนอยู่ตําบลขย้าศิษะชื่อขย้ากัสปักสามพี่น้องออกบวชมีบริวารคนพี่มีบริวารอยู่ห้าร้อยคนน้องมีบริวารอยู่สามร้อย คนน้องุกทองมีบริวารอย่สองรอยก็พากันออกบวชพี่ชายอยู่ต้นน้ำคนกลางอยู่กลางอยู่ต่อมาคนดกทองอยู่ปลายก็สัญญากันว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้ร้อยอัถะบริขารมาน้องรู้แล้วจะเด้ขึ้นไปดู นี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมือ่อกระสือเรียบร้อยดีแล้วจึงบอกมิโสปัญจกี์ทั้งห้าให้แยกย้ายกันออกสังสอนชี้แจงหาริยศาสตร์สีตัวท่านเองจะไปที่ตำบลปรุกเวลาเสนานีคมเพราะท่นดินสา พ, พี่น้องตังต้งตัวเป็นใหญ่ใครๆก็นับนถือเป็นส่วนมากเขานั่งบูชาไฟอยู่เห็นไหเขานั่งบูชาไฟ พระองค์ก็เข้าไปถึงก็ทุนว่าไอ้ไ ฟ, ท, ไฟที่บูชานี่แหละเมื่อเราลุกไปแล้วมันก็หายดับมันก็ดับเฉบตัวไอ้ไฟราคาที่มันเผาอยู่ในใกายจริงไหมไฟโทสะไฟโมหะเขาก็เลยเห็นจริงเห็นหมาเนี่เขาแก้กันอย่างนี้นี่หละคนมีปรรัญญาเขาก็เห็นจริงโอ้เราไปหลงรักเกิดขึ้นจึงมีราคา มีไปเกลียดเขาก็เลยเกิดโทสะหลงทะเลยมีโมหะนี่แล้วมันต้นเหตุอยู่ตรงนี้จะเกิดความรักเห็นตาไปเห็นรูปพอใจเห็นไหมต้นเหตุอยู่ตรงนี้หูฟังเสียงนี่เขาว่ากูดิวะเห็นไหมลิ้นชิมรสหวานแล้วก็รู้เค็มแล้วก็ดูขมแล้วก็รู้ แต่แล้วจะาพี่บ่ายยอกินทำไมสิ่งที่มาสัมผัสกายแล้วก็เห็รู้เห็นมามันอยู่ที่กายสิ่งที่จะมาสัมผัสจิตปรุงแต่งจิตคขาฟมลงใช่ไหมมันจึงปรุงแต่งให้ยากได้เขาแล้วรวมสรุปแล้วเราตายเอาไปได้ไหมของในโลกนี่ตายเอาไปได้ไหมนี่ลงท้ายก็อยู่ตรงนี้แหละ ถามว่าตายไปได้ไหมแล้วรูปนั้นสกรปรกจริงไหมย้ำกันแล้วย้ำกันอีกอยู่อย่างนี้เลย ว, ว่ารูปสกรปรกจริงไหมแล้วเที่ยงไหมนี่ะตูอริยสัจคานเขาได้ไหมว่ารูปนี้สกรปรกคานได้ไหมรูปนี้ไม่เที่ยงเกิดทีแรกก็ตัวเล็กวันคืนผ่านมาก็แก่มาแก่มาโพิสกตว์ตายทับถมไม่นิน ทานก็ได้ไหมว่าเออเราเนี่ยจะอยู่คําฟ้าเนี่ยทานได้ไหมนี่แหละตัวอริยสัจสี่ของกินที่พระองค์กระตือแล้วย้ำเราไปยากได้เนี่ยเป็นเหตุไหมเนี่ให้พิจารณาดูที่ว่าเราไปยากได้รูปสิมเที่ยงเนี่ยมันเป็นเหตุไหมลงหรือเปล่าวันแล้วลงหรือเปล่าที่ไยากได้รูปสิโตกระโปงโสโครกเนี่ย หลงหรือเปล่าแล้วเราไม่ห่วงห่วงแม่ก็ดีห่วงลูกก็ดีห่วงผัวก็ดีแล้วเราตายไหมเราห่วงเราตายไหมแล้วก็ต้องตายถ้าเราไม่ห่วงล่ะเราตายไหมเราก็ต้องตายตาสีน้่นสิถ้าห่วงก็ไปวงหรือนัดถ้าไม่ห่วงก็หลุดพ้นจากวงหรือนัดห่วงก็ตายเห็นไหมมันละห่วงก็แก่ไม่ห่วงก็แก่ ฮวงอยู่ก็ตายไม่หวงก็ตายถ้่สีนสั่นสิถ้าเราฮวงเขามันก็ติดบ่วงดึงรัดเครื่องผูกมัดแต่เราก็ตายถ้าเราไม่หวงแต่ละบ่วงดึงรัดออกเราก็ตายพิจารณาเอาสินี้จะทีให้ฟังนะนี่ให้พิจารณาดูรูปเราเมื่อเกิดมาแล้ว วันคืนผ่านไปผ่านไปก็แก่ไปแก่ไปคผที่สุดก็ตายทับถมพืดินอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าไม่เที่ยงแล้วดูผ้าที่เรานุ่งนั่นมันก็เก่าไปเก่าไปผลี่สุนก็ตายเผื่อยทิ้งทับถมพืดินเห็นมันมันไม่เที่ยงดูบ้านที่เราอยู่บ้างที่แรกมันใหม่ต่อไปก็เก่าไปเก่าไปพังหมดสภาพทถมพื้นดิน ดูดผลไม้ต้นไม้ที่เราปลูกเข้าไว้ที่แรกเมื่อต้นเล็กโตไปโตไปก็าตายเห็นมันดูเครื่องใช้ของเราที่เราซื้อมาที่แรกมันก็ใหม่ต่อไปก็เก่ า, กาไปเข้าไปทิงทับรงพนดินนี่แล้วเขาเรียกก็ไม่เที่ยงเห็นยังนี่ละมั่งคอที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิเห็นยังสัมมาไปว่าถูกต้องทิฏฐิแปลว่าความเห็น เห็นยางว่ามันไม่เที่ยงทั้งหมดนี่ละมักรคอทีหนึ่งคอที่สองสัมมาสังกปะเราเห็นแล้วองไม่เที่ยงเราอยากได้ไหมมันไม่เที่ยงทั้งนั้นน่ะเห็นไหมนี่เขาให้ละวางแล้วเห็นแล้วองไม่เที่ยงทีนี้บางอย่างมันจําเป็นเห็นไหมล่ะเห็นผ้าแล้วรู้แล้วไม่เที่ยงจําเป็นก็ต้องใส่ต้องใช้ก็เอามาเขาสมควรดิ เราไปทายเยอะทียานมันมากแล้วมาดูมักข้อที่สามสัมมาวาจาเรารู้ระร่างกายเราไม่เที่ยงเกิดมาตั้งโยดับไปเขาจึงสอนให้เจรจาชอบไม่พูดปดไม่พูดซอเสียดไม่พูดคำยาบไม่พูดเพอเจอร์นี่สัมมาวาจา นี่สัมมากรรมมันตะทำการงานชอบทำยังไงแหะเห้ยไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมมาเลี้ยงร่างกายที่ไม่เที่ยงนี่สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพทั้งที่ชอบเลี้ยงยางไรให้พิดนเนี่ยไปยิงเลี้ยงหญิงแพรสยาอย่างนี้ก็ไม่แครเลี้ยงอาชีพทั้งที่ชอบขายสก้าอาวุธกึงองของเมา อย่างนี้ก็ไม่ใช่สมาอาชีวะเห็นไหมขายยาค่าสัตค่าเตอรงนั้นนาะไม่ใช่สมาอาชีวะทีนี้สมาวายามะเพียนชอบคนเรารู้แล้วว่าของไม่เที่ยงทางนั้นไอ้นางก็ไม่เที่ยงไอ้ น, นี่ก็ไม่เที่ยงเพียนมันจะละวางใส้หมดจะไปเอามาันนี่บางอาจารย์เขาให้เพียนทํำละความชั่ว เพียงทาความดีแต่ที่นี่สนให้ละวางให้หมดดีเดิอดเป็นต้องเอากันแหละแต่ทำนะทําดีแต่ย้าไปติดดีนี่ข้อที่หกแล้วทีนี้ข้อที่เจ็ดสัมมาสติลองพิจารณาดูทีนะเดินมาเนี่ยกายสตาว่ากายใช่ไหมหยับแขนยําขานี่อ่ิริยา บ, บทใช่ไหมแล้วก็ดูความปวดเมื่อยนี่เวทนาใช่ไหมแล้วก็ดูจิตเท่าที่ว่ามันยังนิ่งอยู่ไหม เขาจึงเรียกว่าจิตสักแต่ว่าจิตแล้วดูธรรมที่มาปรุงแต่งจิตสิมีไหมเขาจึงเรียกว่าธรรมสักแต่ว่าธรรมที่นี่สัมมาสมาธิพรเราตายนี่แหละดูที่มิติมิมติปิจารนาสิไอของแข็งกลายเป็นดินยิงไหมเช่นผมขนฟันหนังเล็บเอ็นกระดูกตับปอดใจใยไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเกา่าเป็นดินยิงไหม แค่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเดี่ยวน้ำโมกน้ำไายเป็นน้ำจริงไหมและลม้มหายใจที่ผัดหลงเบื้องบนบ้างขึ้นเบื้องบนบ้างลง้มพัดหลงเบื้องตาบ้างลง้มหายใจบ้างองีกกลายเป็นล้มจริงไหมและความร้อนที่อบอุ่นร่างกายมันก็เป็นความร้อนขับคื่นไม่เฉ็บและต้นไหนตรงไหนลนะรูปละหรือแต่จิต ด, ดวงเดียวก็ไปเฉ็บไปไนิพพานนิพพาทํามันไปยังไงนิพพาน ก็มันไม่มีอะไรเรื่องราศลแล้วอ่ะสลาด์ตลดแล้วอ่ะไม่มีแล้วของเราไม่มีแล้วของประจําโลกทั้งนั้นน่ะลงตัดสินใจดูที่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของประจําโลกจริงไหมคนในก็เอาเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมพี่นาเดี๋ีวสิ่ก็ดีทานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีสัจจาก็ดีอุิญญาณก็ดีอธิษฐานก็ดีเมตาก็ดีเบิาก็ดีอันนี้ของประจําโลกใช่ไหม รูปเอาไปได้บ้างมีไหมแล้วจะไปฮอบไปยังไงเขาทิ้งกันทั้งนั้นน่ะหรจะฮออาไปบ้างนี่ท่านโซนให้เห็นนะว่าโอ้เราใต้เอาไปไม่ได้แล้วเกิดมาทุกข์แล้วก็ไม่เที่ยงเห็นยังประรูปนี่เป็นทิศต่างของทุกข์หาเลี้ยงร่างกายอยู่ทุกวันนี้นะทุกข์ไหมแล้วมันเข้าไปเที่ยงเห็นยังล่ะชโชกโรกก็ชกโชกโรกแล้วทําอย่างไร ไม่ต้องการเกิดอีกนี่ตอนต้องตอนนะตอนแรกให้เห็นว่าของวม่เที่ยงหเห็นของสกปรกโสโครให้เห็นทุกข์ต่างๆแต่ทีนี้มันทาอย่างไรไม่ต้องเกิดอีกหอาไว้ไม่ต้องเกิดอีกก็อย่าไปสร้างกรรมิกรรมคืออะไรคือการกระทําของเราทีนี้กรรมก็มีสองอย่างกุศลและกรรมอกุศ ล, ลกรรมยังไงเรียกกุศลและกรรมยังไงเรียกอกุศ ล, ลกรรม เฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤตผิดประเพณีนี้ห ล, ลังนี้เป็นต้นเขาเรียกอาคุกลกรรมถามทําไมจึงไปฆ่าสัตว์ก็มันยากได้จริงมหมยากขายอยากรวยตัวนี้ใช่ไหมตัญหาฮเนี่ยพิจนาดูสิทําไมจึงไม่ฆ่าเพราะทำไมจึงอยากรวยก็เพราะมันโง่อยู่ใช่ไหมถ้าเมื่อเรารู้วตาไปไม่ได้ก็เกิดความฉลาดขึ้นถ้ารู้ตัวนี้เป็นกรรมทําให้เราต้องไปเกิดไปรับกรรม เราไม่ทำถามว่าวกรรม อ, อ, อันนี้ดับยังการเหตุอันนี้ดับไหมถ้าเราไม่ทำเหตุอันนี้ก็ดับเมื่อดับแล้วมีปัจจัยหมเมื่อเราไม่ทำแล้วมีปัจจัยไหม ม, มีผลไหมมันก็ไม่มีผลนี่เราก็เรียกความดับไม่มีเชื้อเห็นมั้เล่าจงจำไว้นะักรรมเกิดจากการกระทาของเราเราทำเอง ได้รับผลเองพี่ฉันจึ่งโกใครทําใครได้จะไม่โทษใครก็ทําว่าก็ทําเราทําเราเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องศึกษาให้รู้แจ้งไม่เอารู้จําไม่เอากันคุณแจ้งเห็นจริงลองพิจารณาโดยที่เนี่ยบรรยายไม่ฟังเนี่ยมันเนื้อหาที่พูดตอนนี่มันจริงไหมอย่าลืมแดนมนุษย์เนี่แดนมันเพ้นบารมีกัน อย่าหวังแล้วว่าฉันจะไปนิพพานถ้าไม่ปฏิบัติฉันกล้าพูดได้เลยให้เกิดอีกร้อยชาติถ้าไม่ปฏิบัติให้เอาเล็กตะตุนต้านเลยมาทำร้าวเขา้าบวชแล้วเอาผ้าไปแฟนเข้าไว้ตายเกิดไปอีกบวชอีกเอาผ้าไปแฟนไม่นั่นแหละแล้วไม่ปฏิบัติตายไปอีกบวชอีกเกิดไม่อีกบวชอีกร้าวเล็กจนหักก่อนก็ยังไม่ไป ยังมันถึงนิพานเพราะงั้นใครอยากจะไปนิพานต้องปฏิบัติใครอยากหลงนรกไม่ต้องนกนอนกินได้เลยจริงชาวบ้านก็ไม่ถวายปนีนี่ชาวบ้านเขาทํามุนมาเนี่ยนอนคอย น, นรกอยู่นั่นแหละถ้าทือว่ากูบวชตอนนันมันซาตอนนี้พันซานะพันซ่ามันช่วยได้ไหมมันช่วยไม่ได้ทั้งหมดแหละอยากเป็นโจอรเ์เกว่าเอานอนกินแล้วกว็กินแล้วกว็นอนนั่นแหละเขาอุตสา โยมควายจะได้ข้าวมาเม็ดหนึ่งจะได้เงินมาบาทหนึ่งโยมเหนื่อยขนาดไหนควายโยมจะได้อำเงินตังน้าขนาดไหนโยมสู่อุตส่ไม่กินอุตส่มามันทำบุญแค่ผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบหวังผลบุญแล้วมากินแล้วนอนกินแล้วนอดมาเอาบุญตรงไหนให้ขขาวฮ้ยพระบางองค์อะกินแล้วนอนกินแล้วนอดเนี่ยเอาตรงไหนความดีตรงไหนมาให้เขา นี่ว่าไอ้พวกกินแล้วน้อย น, นั่นนะข้อปฏิบัติไม่ได้ว่างโยมเนี่ยทลาทรมาสร้างกุฏิให้โยนั่นก็ต้องการค้นปฏิบัติดีให้โยไม่ต้องการในคนทีกินแล้วนอนให้โยนี่วันนี้พูดหนักๆหน่อยเพื่อเตือนให้รู้ตัวกันไม่งันมันกินแล้วน้อนอยู่นั่นก็มีเขาจะทานที่ตรงนี้ไม่ต้องโปรตไม่ต้องไปบินธบาตเลยรู้ว่าที่นี่เขไม่บินธบาต เลยไม่ยู่กินแล้วนอนพันนี้ไม่เอาที่นี่ไม่เอาไม่ต้อนรับเห็นไหมเนี่ยเขาบอกใครมาทําวัดก็ไม่มาให้มาฟังทำก็ไม่มาแล้วมันมาอยู่ทําไมมันเหรออย่างนี้เดินทางไมประกบไปได้แล้วนี่ผมไม่ได้ว่าบอกคุณนะผมว่าไอ้คนที่มันไม่มาปฏิบัติเด็แต่คนปฏิบัติคนที่ไม่ต้องเดือดร้อนกินเหมือนหมู่อยู่เหมือนหมาที่มัใช้ได้เด็กโยมไม่ต้องเสียใจแต่ไม่ได้ว่าโยมนะฉันว่าคนที่มันทําชั่ว มันมูนนอนมันมาโยมไม่ต้องไป็ตกใจโยมตั้งแต่ทําความดีอยากโยมทําความดีโยมไม่ต้องทันรอนองพิจนาดูตีโยมฟ้าจะได้ลองนู่นเสื้อที่ใส่เนี่ยโยมมาดูปลายเหตุเออไปซื้อมาเห็นไหมแล้วฟ้าจะทําเสื้อได้เนี่ยทำได้ได้เนี่ยทําได้มาเนี่ยเขาเน็ดเนื่อยขนาดไหนนะแล้วเขาม่นั่งเย็บเสื้อนะ ขทรมาน์ดไหมเราไปซื้อเขามาก่กอนจะแดงเงินไม่ซื้อเนี่ยเราเนดเนื้อยขนาดไหนลองพี่จะน้าดูมัง่งเนานี่ยดูเหตุผลที่นี่ไปซื้อมาตังปปลายเหตุนี่ยมันซื้อได้ก็เลยเห็นไม่เห็นทุกข์นีแหละเนื้อความสั้นให้ย้ายให้ยาวลองดูสิดนาแล้วเกิดมันเป็นคนนี่ลำบ้าแค่ไหนฮะลำบ้าไม่ขึ้นรถ ลองดูประวัติของเราที่ดูปฏิสูตรของเราทีแล้วเคร่นเหน็ดเหนื่อยไม่จังกระไหนนี่ดูเรื่องราวของเราอย่าไปดูเรื่องราวของผู้อื่นเขานี่แหละปฏิสูตรของเราปริญาตคือเรียนรู้ปฏิบัติเอามาปฏิบัติถึงจะได้ปฏิเวทประชัยมาไม่ใช่เรียนจําไม่เอาที่นี่ไม่เอาไม่เรียนจาไม่เอา ต้องเรียนปฏิบัติแต่ไม่มีใบรับรองนะไม่มีประการนี้บานให้เป็นเป็นปั จ, จตังรู้เฉพาะตัวฉันไม่มีใบประการนี้บ้านให้แต่ทีเเรียนจมามันนะคำวิประการนี้บานให้กาโยมเลือกก็จะเรียนอย่างไรพระทุกองค์จะเรียนอย่างไรฉันเคยเรียนมาแล้วเรียนจำฉันผ่านมาหมดแล้วนักทำโทรทำเอก พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉันก็ผ่านมาหมดฉันเคยเป็นกรรมการกวดข้อสอบธรรมในสนามหลวงฉันก็ผ่านมาแล้วแต่ฉันก็โง่นี่ฉันจะพูดให้ฟังไม่ใช่ว่าฉันไม่ได้ผ่านมาฉันผ่านมาแล้วเคยเป็นครูสอนนักธรรมมาเจ็ดพรรษาเจ็ดปีแต่ก็ยังโง่ใช่ไหมล่ะฉันก็รับว่าฉันโง่ไม่ใช่ว่าฉันอยู่ๆมาบวชอะก็ศึกษา เนี่ยจะพูดประวัติให้ฟังผ่านมาแล้วเท่านั้นแหละฉันเรียกว่าหลวงตาแก่ๆวันนี้ไม่เข้าใจหลักธรรมระเบียบขงทรงก็ผ่านมาแล้วระเบียบการปกครองก็ผ่านมาแล้วแต่ทีนี้เราจะมาเข้มงวดแหละพะกลอนโง่ห <c oughs> ลวงพี่น้าเนี่ยโยมยังไงเรียกว่าคนโง่ในโลกนี้ยังไงเรียกว่าคนงโง่ ยังไงเขาเรียกทำไฟชั่วเ็นโลกโกรธหลงเนี่ยนินทาอิชาเิียตยาเขาเนี่ทำไฟดีหรือไฟชั่วโยมมันแยกกันได้นะโยมเันแยกตั้งเดี๋ยวนี้เลยยังไงเขาเรียกว่าไฟชั่วยังไงเรียกไฟดีคนก็แยกตั้งเดียวนี้แหละท่านจึงสอนว่าอเสวนาจะพาลา น, นั่งการคบคนพาลพาลมหาผิดคบปัณฑิตพามหาผลปัณฑิตา น, นั้นจะเสวนาปฏิรูปประเทศสหวโัโสอยู่ในประเทศอันสมควร ให้เลือกเอาเสยยปูช้าจะปูชะนชิยานังบุคคลเช่นใด ค, คุนบูชาเนี่ยให้พี่นะ้าเอาเสยยทฐานนั้นจะธรมรมจริยายให้ทานบุคุนเช่นใดคนคุนให้ฐานโยไม่คิดอ่างทันสอนไว้ทั้งนั้นเราเจ้าทันสอนไว้ทั้งนั้นแ่ะบุคุนเช่นใด ค, คุนให้ทานบุคคลเช่นใดคนบูชาปูช้าจะปูชะนิยานังบุคุนเช่นใดคนบูชาโอ้ไม่คึ้ไม่กินไปพี่นะ้าเอานะ ฉันสอนฉันยุกับโคให้ น, น, นั่นแหละโยไม่พี่นะเอาบุคคลเช่นใดคนบูชาจะทำทานทำอย่างไรคนเช่นใดคยุคนให้ทานและบุคคลเช่นใดคุณโคบสถานที่เช่นใดคุณอยู่เป็นโยไม่เลือกเอาใช้ปัญญาส์มากๆบางบางคนสอนให้นั่งทำสมาธิ จ, จับลูกแก้วก็ดีจับปลาพุทธรูป ก, ก็ดีอย่างนี้เขาเรียกขัดสินเพ่งไฟก็ดี แล้วก็นักเข้าข้าวก็จิตนิง่งนิ่งก็เลยติดสุขตรง น, นั้นแหละจิตนิง่งเห็นหมันติดสุขความไม่จิตนิง่งนั่นแหละติดสุขอันนี้ใช่ไม่ได้นะประเดี๋ยก็เกิดโทษซาขึ้นกิเลกก็ขึ้นอย่างเดิมเพราะนั้นก็ให้สอนใช้วิปัสนาสอนละวางในหมดพื่อละวางหมดก็เกิดสุขเกิดสุขเลยว่างเปล่า ไม่มีอะไรเสียแทงทิ่มจิตความโลภ ก, ก็ทิ่มไม่ได้ความโกรธก็ทิ่มไม่ได้ความอิจฉารือสยาก็ทิ่มไม่ได้สุขไม่ที่นี่คนละวางหมดแล้วไม่มีสมบัติอะไรทั้งหมดสุขไม่มีสมบัติแล้วดูที่ว่ามันสุขจริงไหมโยมทุกคนนะวาริกาจงทำจิตให้เป็นพระไม่ใช่ต้องไม่ใช่ทํารูปให้เป็นพระทำจิตให้เป็นพระ ใครเป็นพระสงฆ์เี่ยคือละวางกันหมดแห่เห็นไม่เที่ยงเนี่ยแหละโน้นก็ไม่เที่ยงเนี่ไมเที่ยงเนี่ยเดินทางเข้าไปแล้วเพราะขัน้นดิศสงก็ละวางซะแต่ตัวโลภโลภตายาไปไม่ได้เราเป็นโลภทําไมไปโไไปกรธโกรธก็ทําไมเขาก็แก่เขาก็ตายเนี่ยเห็นมไหมพอเรารู้วันี้ก็เลยหายหลงเบาบางลง อย่างนี้แหละเขาเขาเรียกว่าสั ก, กิตาคาแล้วทีนี้เดินทางต่อไปอีกพี่น้าที่รูปเนี่ยโหนี่มันสกรปรกทั้งนั้นนี่ว่าร่างกายเนี่ยมีน้าเลือดมีน้าเลืองมีกระเพาะขี้กระเพาะเยี่ยวแล้วก็ดผูผู้หญิงมั่งโอผู้หญิงเขาก็มีสกรปรกแล้วก็มีเที่ยงเกิดมันก็ต้องแก่ต้องตายของสกรปรกทั้งหมดทีนี้มาตัดไอตัวกามนี่แหละตัดเพิ่มผู้หญิง ก, กูไม่เอาอลไวไว้ของสกรปรกทั้งหมดพยายามยามละ การมาร่วมตรงนี้วความรักระวังเพศความอารมณ์ระวางเพศดับดับด้วยวิธีไหนด้ยวิธีอาอสุภะมาพิจารณาบ้างเอากายกัตตาติพิจารณาบ้างดูความสกรปรกโสโครกบ้างมาดับเห็นมาพรดับได้เป็นผลไหมโยมในว่ามากคนไม่มีอ่ะแล้วทีนี้มันดูอีกพรดับได้แล้ยังมีทิฏฐิมีมานะไหมยังสาคัญในกุเกงไหม ดับดูวิธีว่าโอ้วันคืนผ่านไปเดินกะพาวฟับตายตายทุกวันใกล้เข้าไปแล้วยิงเรียยยิ่งวันคืนหมดไปยิ่งเขียงเข้าไปทีนี้เ็าตัดมนันะทิฏฐิไม่มีแล้วแต่ไม่มีมนันะไม่มีทิฏฐิแล้วพราะมันเห็นความตายอยู่แล้วนี่ก็มาทบทวนนี่ยัยงหลงอะไรบ้างยังติดตินติดตาติดสมาธิไหมยังโง่อยู่ไหม พระละทิ้งมวลกับหมดการจิตก็เลยว่างอ่าวิชาก็เปิดปดเท่านี้แหละนี่ลพระแหละไม่ใช่เนี่ยผมมันเรี้ยงเยื่อเยินนี่มันเป็นไม่ได้แล้วมันท่าสีเข้าใจนะท่านทุกองค์อ่ะมันอภาคุ้มท่าสีก็ไว้มันเป็นไม่ได้แล้วหรือว่ากูบวชตอนนั้นมันซาตอนนั้นมันซาแล้วมันเป็นไม่ได้แล้วมันเป็นอยู่ตรงชําาะจิตน่ะเขาจึงเรียกว่าสมมูทติดสง ไม่ใช่สรงแท้ย้ำๆกันท่านหน่อยเปิดเผยให้มันแ จ, มแจม่มๆกันว่ะจะได้หายลงในทันทีจะทําบุญในถูกต้องทําบุญทําทานที่ถูกต้องอะไรบุคคลเช่นไดนคนบูชาจะได้บูชาที่ถูกต้องเนี่ยฉันสอนไม่ให้โยมลงนึ น, นะโยมพี่นะดูก็ทําแล้มันถูกนะบุญดีๆสิฉันก็ไม่ได้อวดอ้างนะแต่ฉันก็ให้โยมพี่นาเอายอมเลือกเอาเห็นไหมล่ะมีรูปก็ต้องมีตา วิต้าก็ต้องสัมผัสภายนอกและรูปภายนอกมันไม่เที่ยงอะมันก็หมดกันจบคนแคระเองมีหูก็ต้องสัมผัสเสียงมีจามูก็ต้องสัมผัสกลิน่นมิลินก็ต้องสัมผัสรสเห็นไหมมันสัมผัสกันทั้งนั้นแหละมันเรื่องของคนลงเราะเรามีจานณาดูเราไม่นนไมเที่ยงอย่างนนะเนี้เราตายแน่ทำตัวเป็นผ้าซีเนี่ยทีนี้มันก็าหายลงนั้นนั่นแหละเอากันจันทรเท่านี้แหละ เขาก็เกยตายแล้วก็เกยตายเขาก็เป็นทา่าสีแล้วก็ทา่าสีด้วยนี่แหละจะพูดให้ฟังนะอิติปิโสภควาคำว่าภควาแปลว่าพูดจำแนกทมจำแนกว่าีนั่นไม่เที่ยงนี่เป็นไม่เที่ยงนั่นเป็นทุกข์เป็นนิจจังเป็นทุกคังเวนนาตาเอามัน เ, เอาในโลกนี้มันจำแนกนี้ชี้ให้เขาเห็นดิ ทำยังไงละวางยังไงนี่เขาเรียกําแหนกทํอาอรหังเป็นพระอรหันทํายังไงเป็นพระอรหันตัมมาสัมพุทโธเป็นผู้รู้ชอบดีแล้วรู้ยังไง ร, รู้ชอบอ่ะรู้ของจริงจริงไหมจึงว่า ร, รู้ชอบวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมเนื้อวิชาและจารณะวิชาแปรก็มีที่ปิจกักขุเห็นมาปุเพนวาสาวติยานลเลิกชาติได้ ดูตูปสัญส า, ามารถรู้ตาเกิดเป็นอะไรอตีตังสานรู้อดีเกิดเป็นอะไรอนาคตตังยานรู้อนาคตเป็นอย่างไรปัจจุบันนังทยานปัจจุบันนี้เป็นอย่างไระทากรรมุทยานเจโตบริย า, ยานรู้วัลจิตคนและสัตว์ทำไมไม่ศึกษากันเหรอท่านบอกไว้แล้วิชาจารณะสมปันโนของเขามีอยู่แล้วแตไม่ศึกษาแล้วก็มากำมันละสงสัยกันอยู่นั่น พระท่านบอกไว้แล้วเนี่ยสุขโตสเสด็จไปดีแล้วไปยังไงไปดีแล้วเถารละวางโม ด, ดูที่มันไปดีไหมโลกะวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกในโลกมีอย่างไรมีของเทีย่ยงไหมแต่ยังนี้ไม่แจ้งโลกเหรอฮะที่แจ้งว่าในโลกนี่เป็นยังไงยังไงอานุตตรังบุญญักเกตังและคนยังนี้เป็นนาบุญของโลกไ้ม เนี่ยมันทำอะไรที่นี่สวาขาโตภควตาธโมปธรรมอันพระผู้มีพระภาคจะกระดัดไว้ดีแล้วจริงไหมละ่ะไอ้ น, นั่นก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็ไม่เทียนนเท่ยงนนก็ไปทุกอันนั้ก็เป็นนิจังทุกครั้งอนัตาของโน่นนี่ไม่เที่ยงทั้งหมดดีไหมอย่างนี้กรัดไปถูกต้องไหมสันทิตโกอันผู้บรรลุผังเห็นอากาลิโกไม่ประกอบยการเวลานั่งก็ทําได้เดินก็ทําได้ยืนก็ทําได้นอนก็ทําได้ เขาเรียกไม่ประกอบเหตุการเอปาิโกขดเรียกให้มาดูบ้างให้มาทํากันบ้างโอเปนไอโกน้อมเขามาดูในตัวเห็นของไม่เที่ยงันนั้นไม่เทียเท่ยงนลี้ยงเที่ยแล้วก็มาพิจารณาดูเราคือโน้มเขามาโอเปนไอโกคือโนอมเขามาดูในเราว่าเราไม่เที่ยงพันนั้นจริงไหมปัจจตังเวสภูวิญยูหิติอันวินยูชนย่อมรู้เฉพาะตน ทั้งนไว้ทั้งนั้นแหละแต่ไม่ไ ม, ไม่มัปฏิบัติกันไม่ทํากันเห็นไหมห <c oughs> ลักฐานก็มีทั้งนั้นแหะแต่ไม่โง่ไม่อะไที่ไม่ได้กันนะั่ะโง่ไงหมแล้วนั่งพี่นัสคนลางทานเขามีอ่ะพระเจ้าปรวังิหลักฐานไว้ทั้งนั้นนะ่าทำไมทั้นที่พระพุทธเจ้าท่ า, ทานธนนะาพยามาณแล้วว่าท่านก็รู้แล้วพอใจว่ารู้ละพอใจแล้วเขาว่าพรหมาราสนายเทศนาศร ผมนะคือไข ค, คือพรหมวิหารซีนั่นแหละก็มีความสงสารคนนี้ยังโง่เขาอยู่อยากจะคีแจงสังสอนที่แรกก็ทอถอยว่าธรรมะนี่มันของลึกซึ้งลึกซึ้งมากคนยากที่คนไม่มีปัญญาจะสามารถรู้ได้ท่านก็ทอถอยแล้วเกิดมาขึ้นามานุในโลกนี้กุมามนดอกบัวสีเรา ลาวหนึ่งโพลมาแล้วคอยต้องแสงแดด ท, ทรงเมื่ลายก็จะบานรับก็ได้ับุคคลนี่เพราะพโยโกหกข้อขึ้นพูดก็สามารถบานรับเลยอีกลาวหนึ่งโพลก็ไม่อีกแล้วจะคอยว่าพุ่งนกุญแจบานมั่งต้องแสงแดดก็ได้ับุคคลพยโยกหก ข, ข้อแล้วขยายเนื้อฟ้าไปฟังก็สามารถรู้แจ้งแทงตลอดอีกลาวหนึ่งก็จะบานต่อไม่อีกแหละพรุ่งนี้เพียนทเข้าไป ชีแจงนะครับขอเขาเขาดูแจง้งไอ้เรานึงสิมันอยู่ใต้ดินน้ำไอ้พวกนี้สอนเท่าไราก็ไม่ฟังก็เลยเป็นอาหารของตาปลานลี่ยแหละเนี่ยครูเจินกนว่าดบกโบต้ข้นกรีดเราว่าดอกววโบต่นำ้ำเนี่ว่าตาข้นกรีดเลยสอนมันก็ไม่ไม่ใจเรื่องี่เห็นเมื่อไรมันก็มีอยู่ในโลกนี้ <c oughs> เรามาศึกษานะทุกคนสงสัยฉันอนุญาตให้ ไทาถามันเองชุมกันเขาเรียกธรรมศ า, าสักขาจักไซไลเลี้ยงมีตั้งสมัยครัง้งพุทธกาลไม่ใช่มีสมัยนี้ดอกพระภิกษุ ส, สงฆ์สนทนากันศึกษากันทีนี้พระเจ้าก็เดินผ่านมาก็ถามว่าเธอสนทนาอะไรภิกษุก็เล่าให้ฟังท่านก็เล่นที่แจ้งให้ฟังพวกนั้นพวกเราก็สนท่านากันไทาถามกันหาผู้รู้ สงสัยตรงไหนก็ไปทายตามผู้รู้เขาในชันอนุญาตไม่ใช่ไปคุยทั้งโลกนะคุยทั้งธรรมเพื่อหวังให้รู้จริงให้รู้แจง้งเห็นจริงในธรรมี่คุณรู้คุณเห็นหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะที่ที่แจ้งวันนี้อ่ะเอา้าพยาบขยายได้เอเนี่ยจะได้เปชนน้ากันต่างใจโกรดนำนะ้ำใช่ว่าตามนะ <c oughs> อิทาง บุญญาพันลังผลและบุญที่ข้าพรเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วหน้าโอกาสนี้ข้าพปเจ้าทั้งหลายาลาอาขอที่ทรงกุศล น, นี้ให้แก่เจ้ากรรมและนายเวรทั้งหลายที่ข้าพปเจ้าทั้งหลายได้เคยล่วงเกินมาแล้ว เท่าก่อก็ดีชานี้ก็ดีขอเจ้ากรรมและนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้